วิกตกถึงสภาพร่างกายเทาของสั์โลกคิ่งก้อนเป็นอยู่ของสัน โ, โตวิกตกไปมันจะเกิดสรดสังเวชหรือวิตกต่อไปในชีวิตเทาจะได้มาบวชหรือมาปฏิบัติอยู่ในจะผาบในปานมันจะเกิดข้อวิกตกไปแต่ก็จะเกิดข้อสลดสังเวชอยู่เสม อ, อมการทำข้อเพียนมันก็จะเดินเป็นจะเดิน ยืนเดินนั่งนอนเมื่อมันวิโต๊กถึงขอบปฏิบัติขนฟอมสยองเข่าขนหอลูกสู่ชามเมื่อหากว่าเราวิโต๊กไปถึงขอบปฏิบัติของเรา อ, นอมมันจะมีผลลุกเกิดปีตีข่มอินใจบา ท, ทุกวันนี้เราอยู่ในสภาพอย่างไรแต่ก่อนเราอยู่ในสภาพยางใดมันแก่มีปีตีขึ้นอืที่มากระทําเช่นนี้ บางทีก็มีความเชื่อจะถึงมาทำบางทีความเชื่อยังมีมากระทำก่อนเป็นเรื่องธรรมดามยกตัวอย่างเช่นตัวเราเองนี่แหละบวชมาครั้งแรกมไม่ได้บวชด้วยเซตาเป็นเนเีเอ็กบวชมารว่งขี้เกียจ ร, รถผักให้เขารถยาให้เขา รถพลิกเขาหนีไปนเนนนีรถ้าคนมาหลบอยู่างงี้สะเออมาหลบอย่างออาางี้มันไม่มาโดยชะตาหรอกมันขี่เกียรติทำงานนี่เขาสมัยก่อนเราเป็นเด็กเมื่อเคยไดสูบยา ก, กับเขาตอนเช้ามาม า, มาไล่เราเป็นรถยานี่หลายร้อยมันเครียดหลายไอ้มันหนีสักกลับมาบวชถ้าเป็นเนนถ้าเนี้ย คือคือเดี๋ยวมันไม่ตายบวชเป็นเณนอายุสิบสี่สิบห้าปีขึ้นมาแล้วมันก็คิดไปอีกว่าเออบัดนี้ร่างกายเราแข็งแรงหนินะลดลดผักลดยามันจะไม่กลัวมั้งเนี่ยศึกไปอีกแล้วอืมนะมันไม่มันไม่เห็นมันไม่ชนิดนข้างหลังนี่มาบวชเป็นพระนี่ก็ยังไม่เห็นเหมือนกันบวชเสือเสือสาไปง่ายก็มีบ้าง แต่ว่ามันวชมาแล้วได้มาปฏิบัติเด็กก็มาเรียนเรียนก็เรียนอย่างนั้นเนี่ยเด็ก็มาปฏิบัตินี่ลูกสึกว่าเกิดศรัทธาขึ้นมาปฏิบัติครั้งแรกอเรามาวิจบทีถึงการความเป็นอยู่ของสัตว์โลกทั้งหลายนี่นาสลดน่าสังเวชสังเวชอะไรคนรวยทั้งหลายเพีเดียวก็ตายไปเท่านั้นแหละทิ้งบ้านหนังใหญ่หญไว้ ตายไปใช่ลูกหลานก็แย่งกันทะเลาะกันเมื่อเราเห็นแล้วเราอืมน ะ, นะมันทึ่งถึงจิตใจของเราอันนี้เกิดสรดสังเรีททั้งคนโจนทั้งคนรวยทั้งคนฉลาด<ม>ทั้งคนโง่นั่นแหละอยู่ในโลกก็เป็นอย่างนี้นไอ้ธรรมะไอ้ความรู้สึกอย่างนี้มันเต็มอยู่ในใจของเราไม่รู้ว่าจะไปพูดให้ใครฟังนี่เมื่อมันตื่นมาแล้ว อะไรมันก็ตื่นเสมอแต่พบสิ่งต่างๆมันก็ตื่นเสมอสรุ่ปเสมอเลยนี่เราสำเนียกได้เสมอว่าเรามีรู้จักธรรมะนี่กือที่ว่ามันสว่างขึ้นมาแล้วมองเห็นในหลายอย่างอืมันมองเห็นแล้วในเวลานั้นมันก็มีอ่าธรรมะปีติความอิ่มใจพูดถึงการสภาพที่เราอยู่อย่างนี้ ยก ง, ง่ายๆเช่นแบาโยบายใหม่เราเนี่ก็แปลกคนเหมือนกันนะอืมเป็นบุรุษเต็มส่วนมีมดทุกอย่างเลยนีม่มาอยู่ในป่างี้ได้ไม่เสียดายเอีไอ้ที่เขามีครอบครัวกันมันหน่ายเสียดายล้าโดดรามาอยู่อย่างนี้ก็มองไปดู้ดูี่ใครมันจะทำได้อย่างนี้นะคิดไปแล้วเนี่นี่ก็เกิดมีสักกาความเชื่อ ความเรื่องใสในปฏิปทาของเราอย่างนี้เป็นเมืองแรกก็ต้องทำไปอย่างนี้มันส่งเสริมกันติดต่อเรื่อยๆขอเราไปค่อยๆเห็นไปตลอดมาจนถึงมาทุกวันนี้นี่เริ่มมันจะต้องลองพยายามเราอุปสมบทมาเราไปปรารถนาว่าจะมาอยู่อย่างนี้จะปรารถนามาอยู่เป็นครูเป็นอาจารย์ของอย่างนี้ในเรื่องว่าจะหนีมันไปจากโลกอันนี้บวชธรรมดาธรรมดา บัดนี้มันก็มาฝ่ายตัวขึ้นมาเรื่อยๆรืยๆศึกษาไปมันก็ยิ่งมีศรัทธาไปศึกษาไปก็ยิ่งอิ่มไปสงบไปมันก็มีปัญญาไปเราเคยพูดให้เขาฟังว่ามันความสงบคือความนิ่งความสงบคือความนิ่งความไหลไปคือตัวปัญญา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 ทางมันนิ่งทางมันไหลด้วยกันเป็นของพิจารณายากไอ้ความเป็นจริงมันนิ่งน้ํานิ่งก็คือน้ามไม่ไหลแล้วก็รู้จักน้ำไหลก็คือน้ามันไม่นิ่งเราก็รู้เรามาปฏิบัติแล้วเราจับทั้งสองอย่างเลยจิตใจของผู้ประพฤติปฏิบัตินั่นเหมือนน้ำนิ่งมันไหลน้ำไหลนิ่งอถ้ารวมมันจะเป็นน้าไหลนิ่ง ทิ้งที่มันปรากฏขึ้นมาในจิตของเราเนี่ยอผู้ประพฤติปฏิบัติอยู่นี่มันเป็นซับเสมือนว่าน้ำมันไหลนิง่งอืจะไหลยอย่างเดียวมันก็ไม่ได้จะนิ่งอย่างเดียวมันก็ไม่ได้แต่ธรรมดาก็น้านิง่งเมื่อต้อนิ่งน้ำไหลมันก็ต้องไหลเมื่อมันเป็นอาการของเราที่ปฏิบัติแล้วมันจะเป็นได้ความหมายว่าน้ําไหลนิง่งซึ่งเราไม่เคยเห็นน้ำไหลนิง่ง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 ทางสมาธิทางปัญญาทางสมถะทั้งมีปัสฉณานี่ยมันจะบอกมันน่ยมันดูอย่างนี้ธรรมะมันเป็นอย่างนี้ถ้ามันไปถึงธรรมะจิตใจนั่งอยู่ตรงไหนเมื่อกลับรู้จักมันเป็นอย่างนั้นอสงบอยู่มีปัญญาอยู่ไหลยอยู่นิ่งอยู่นิ่งอยู่ไหลยอยู่อันนี้เมื่อปรากฏกับใจของบุคลผู้ไรเดา แ, แปลก เป็นของแปลกกับจิตธรรมดาของเราที่เราเคยบินมาแล้วแต่ก่อนทามันไหลมันก็ไหลไปทามันนิ่งมันก็ไม่ไหลมันก็นิ่งอยู่จิตของเราจะเทียบกับน้ำอย่างนั้นบัดนี้มันมาตกอยู่ในสภาพว่าน้ำมันไหลนิ่งจะยืนจะเรือนจะนั่งจะนอนนั่นไม่หมายแต่นี่ว่ามันน้ามันไหลนิ่งไปทำจิตใจของเราเหมือนอย่างนั้นมันจะมีทางความสงบ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 รู้เหตุของทุกรู้ความหลับทุกรู้ข้อปฏิบัติถึงความหลับหลับทุกมันเป็นตัวอริยสัจทุกสมุทัยนิโรธมรรคมันมีอยู่แล้วทุกอย่างมันมีอยู่แล้วถ้าเรามีน้ามันไหลนิง่งมันมีละมีทุกมีสมุทยัยมีนิโรธมรรคเป็นเรองเป็นอยู่อย่างนั้นอย่างนั้นเเราอยู่ไปเมื่ อ, อไรเป็นต้นเอ่ความประมาทมั้งผมสั่งไปไม่มีไม่มี เห็นอะไรมันก็ไม่ประมาทมันสยดสยองอยู่ข้อต่อข้อประพฤติปฏิบัติของเรายิ่งดูไปยิ่งดืมยิ่ง ด, ดูศึกษาไปยิ่งมีศรัทธาเรื่อยไปคนเราที่จะปฏิบัติอยู่ไปมันต้องเป็นอย่างนั้นไม่ต้องอะไรไปทำกระเพื่อนครับเกอนเขาไม่ทำก็อายครับถ้าเพื่อนเขาหยุดเราก็หยุดถ้าเพื่อนเขาทำเราก็ทำ ถ้าอาจารย์พา ร, ร, รมแลรรม้วก็ทำถ้าถานอาจารย์อยู่แก็หยุดนี่มันเป็นไซอย่างนี้นี่มันเป็นไซตอย่างนั้นอันนี้มันไม่ค่อยจะเรื่องอการทําอย่างนี้เพื่ออะไรเพื่อเราอยู่คนคนเดียวก็ให้เราทำอย่างนั้นจึงมาทําในคอวัดตํารวมกันตอนเช้าตอนเย็นนทํารวมกันเพื่อเราอยากจะอยู่คนเดียวเราอยู่ที่ไหนก็ได้ต้องเอาคอวัดอันนี้ไปทำํำ ใ, ในใจอรารม คนเดียวจะต้องเป็นอย่างนี้มันจะต้องเป็นอย่างนี้อันนี้ก็เหมือนบ้านรับรองนายลวงจะเสด็จมาทำบ้านรับรองวสวยเท่านั้นแหละในกี่วันต้งประสิแต่ท่านเสด็จมาประทับปรเดี๋ยวท่านนี้ไปลื้อเลยนอันนี้ก็เหมือนกันฉะนั้นข้อประพฤติปฏิบัตินี่รวมกันหลายองค์อย่างนี้นหลายองค์ให้รู้เรื่อง ดูเรื่องหรืก็อยู่จับได้นัแล้วกรทก็ทำให้ถึงจิตถึงใจของเราทุกคนเท่านั้นเนี่ยมันก็เป็นพยาธในตัวของเราแล้วอืเดี๋ยวเรื่องลูกคนโตเป็นอืท่านทําอย่างนี้ดีแต่พยายามตามฟังรู้สึกว่าปีนี้คงจะรู้จับไปบ้างแต่เงินสาขาเล็กๆน้อยๆก็ให้พากันทําอย่างน้อยก็ให้ ทำอ่านหนังสือให้ฟังไปบักคับอธิบายฟังเจ้าหน้าที่หัวหน้าก็พยายามทำพยายามให้ธรรมะดุสิตให้ธรรมะโดยการพูดให้ธรรมะโดยกา ร, ร, รการะทําในทุกอย่างไอ้พวกเราก็ไม่รู้จัดกาบายท่านให้ธรรมะอย่างไรก็ไม่รู้ในี่ยในสมัยหนึ่งท่านอาจารย์ทองรัต ท่านเดิ น, นก็ติ๊กสู่สงทางหลายเนี่ยเห็นกวยตัวผู้มันกินหญ้ายอยู่ใกล้ทางท่านได้พูดออว่าเออแม่ควยตัวมีเนี่ยมันมากินหญ้ายอยู่ใกล้ทางแท้พ้าสงเดินไปตามท่า น, นแปลกอาจารย์ท่านหลงุงะมังนี่ ป่วยตัวผู้หรือว่าป่วยตัวเมียเดินเรียนระยะหนึ่งท่านทั้งหลายเห็นป่วยตัวเมียไหมนะมันกินยญ้าอยู่นี่นนอนะท่านอาจารย์นี่คงเป็นอุปส า, าตร์มั้งนี่อย่างนี้คือเราไม่รู้จักท่านเทศให้เราฟังถ้าคนมีปัญญาท่านพูดอย่างงั้นเรารู้แล้วไอ้พลอยไม่มีตัวผู้ตัวเมียหรอกนะไม่มีตัวผู้ตัวเมียที่มันมีรเราไปสมมุติมัน ถ้ า, าสมมติเดียตัวผู้เป็นตัวเมียมันแต่แรกเราจะเอื่อนตัวผู้เป็นตัวเมียตลอดวันนี้นี่เนี่ยพอได้ยินปุ๊บเราเข้าใจเลยวเออทันบัตตัวเมียก็ถูกแล้วทันบาตตัวผู้ก็ถูกแล้ ว, ว, ลวไอ้ถึงป่วยที่สุดจริงๆแล้วไม่มีตัวผู้ตัวเมียเมื่อมันมีท่านกันมาสมมุติเดี๋ยวนี้สมมุติเลยได้ยินมันก็ติดสมมติเลยเ อ, อื จนเข้าข้างตัวผู้ตัวเมีย อ, อย่างจังทีเดียวใครพิพูดตัวเมียนี่มันเป็นตัวผู้เถียงกันในโกรธแล้วเถียงจนตายสะบานน้ํากันลงเงินกันอะไรว่ากันไปตามเรื่องของมนุษย์ของเราอะไรหละตามความเป็นจริงเราไม่ดูเรื่องนั้นมันถึงที่สุดอย่างนั้นอย่างนี้ท่านเดียกว่าท่านเทศในเราฟังถ้าใครถึงธรรมะ ก, ก็ฟังท่านสบาย ท่านจะบ่าไ อ, อตัวผู้เป็นตัวเมียมันก็สบายมันถูกแล้วท่านจะบ่าตัวเมียเป็นตัวผู้ก็ไม่มีอะไรถูกแล้อยคนที่ไม่รู้จักธรรมะก็เถียงกันเนี่ยถกเถียงกันอ่างตำรากันขวัดกันวุ่นวายี่คือคนไม่รู้ธรรมะตามความเป็จริงมันก็ไม่รู้มันหลงอยู่อย่างงั้นถ้าท่านรู้สมมุติแล้วมีมุตแล้วท่านก็สบายเนี่ยอ เ, เราก็เหมือนกัน่ะ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 นี่เราไม่ทนทุกการประพฤติธปฏิบัติก็คือประพฤติธปฏิบัติให้มันรู้จักทุกรู้จักเหตุเกิดของทุกรู้จักความหลับทุกรู้จักข้อปฏิบัติให้ดขึ้ความหลับทุกปฏิบัติเพื่อใจมันทนทุกอคนทุกยังไงตัวผู้แต่มาตัวเมียก็มีอแต่เด็กเราจะไปเสียงแต่ตัวผู้ตัวผู้มาทุกจนตายมันเยวกคนไระดับอย่างนี้ แม้ท่านจะเดินเหนินไปทางประเทศให้เราฟังท่านพูดเรื่องอื่นทางประเทศให้เราฟังเราต้องรู้จักธรรมะอย่างนั้นอย่างนั้นธรรมะมันมีอยู่ทุกสถานที่อยู่ในรูกมันมีอยู่ในนา ม, มีอยู่ในต้นไม้ทางไหนมันมีทั้งนั้นธรรมะทารามีแล้วดีความชั่วมีอยู่ทุกเวลาไอ้ความดีมีอยู่ทุกเวลาทําดีมาได้ก็ไดมาเนี่ยทำชั่วมาได้มันก็ได้มาเนี่เมื่อจิตเข้าสู่ธรรมะถึงธรรมะแล้วเมันจะเป็น เชื่อพวงศ์มันก็เป็นธรรมะก็จะรู้ธรรมได้เป็นอริยะบุคคลนถึงคนจนเมื่อกิจมันถึงเทมาชนนั้นมันก็เป็นอริยะวงมือนการมันเหมือนอย่างมันเป็นอย่างนั้นเหมือนรีนของเราเนี่ใครไม่รีนไหมเนะนี่ยรีดเพราะอะไรเพราะมันดูรถคนอยู่ในนี้พระเนี่ยเ น, นี่ยเนี่ยมีรีนทุกคนดูรถเหมือนกันทุกคน เอาเรืออมาแตะดูทีแตะทุกคนเนี่ยแล้วก็ถามมันเป๊ง่ายจะว่าพูดว่าเข็มกันหมดทุกคนเห็นไหมนี่มันเหมือนกันอย่างนี้อืหรือพระโซนนิดนัึนมันจะว่ามันเปรี้ยวยังไงหรือคนจะเป็นเชื่อพระวงศ์ข้างบนอย่างเงี้ยสูงเนี่ยมันจะเป็นมีรสอื่นไห ม, มคนอยูีพักเหนือภาคใต้ภาคอีสานภาคกลางเมื่อเขาถึงธรรมะแล้วมันเป็นอันเดียวกันนี่ มันต่างแต่ว่ามันรูปของเราท่านมันต่างกันมันสูงไปมันเตี้ยไปมันอ้วนไปมันผอมไปนี่รูปเป็นอย่างนี้เมื่อจิตใจเข้าถึงธรรมะมันจะเป็นพระสงฆ์เหมือนกันหมดพระสงฆ์สุปฏิปโน่ะเป็นผู้ปฏิบัติดีทุกคนแล้วถูกต้องทุกคนไม่เปลี่ยนกันอืถ้าใครทำถูกแล้วมันก็ถูกทุกคน ไม่ใช่ป่ะไอ้คนโตทาทำผิดมันถูกหรือทาถูกมันผิดไม่ใช่อย่างนั้นธรรมะจึงตรงไปตรงมาเป็นอริยสัจให้เข้าใจฉะนั้นใครจะไปแยกหยุดทิศไหนก็ช่างเถอะพยายามทุกท่านอืมให้พยายามวันนี้มันจะวนมันจะครึ่งพันษามาแล้วบางทีอาจจะกเปลี่ยนท่านจะเปลี่ยนขอวัดเปลี่ยนอย่างว่าเราทาธุระหน้าที่ทุกทุกอย่าง เมื่อทำไปทำไปเนี่ยโลกเขามีวันทิศวันเสาร์มีพักร้อนพักเย็นมีเงินโบนัสให้อยู่เฉยๆก็ได้กินนี่อันนี้กือมันการทำครั้งแรกก็ทำยากลกำบากนิดเหนื่อยบางทีจิตใจท้อถอยบางทีเออพวกเราหยุดกันสะก่อนเถอะนี่ส่วนรวมทำเรอยปล่อยสะก่อนห้ใจสบายเล่น น, นี่ปล่อยทำตามปกติของเราบีบเกินไปไม่ได้เรารู้จักผ่อนสั้นผ่อนยาวเราหาของพอดีนั่นทำมันน้อยไปเราเติมทำมันมากไปเราออกนี่เรียบอย่างนี้ปฏิบัติถึงสัมมาปฏิปทาพอดีการประพฤติปฏิบัติเมือนกาอทั้งลุกไปขัง้งนาทั้งถอยขังหลังเพื่อหาความพอดีของเราเนะ่ยเองไม่ใจอื่นได บางคราวบาง ท, าทีพอสงคนเหนื่อยแล้พานเนีเราเหนื่อยแต่ก็อยู่กันเลยอยู่กันเป็นปกติน่ะปฏิบัติเราเองตอนแต่รู้เช้าตอนตอนเย็นตอนเช้าทําเองเดินี้ทําเองพ่อยสักพักหนึ่งซะและ้มันจะบินเข้าวบ่ายเลเอามันมาครั้งอีกมันดื้อย่างเง้ยเข้าขอวัดอีกควบคุมอีกให้มันเข็ดฝึกการฝึกการทรมานการฝึก เธอมันเป็นปีกการทำอีกนี่เรียวกว่าการปฏิบัติหาทางผลทุกข์ของเราแ ต, แต่ว่าบางแห่งทำมาอย่างเดือนหนึ่งแล้วทำมาสิบห้าวันทำเต็มที่กันอยุดอีกเก็ดวันหรือสิบห้าวันแลปล่อยตามสบายลองดูสิบางคนท่านปล่อยตามสบายเลยสบายเลได้นอนเลยไม่ต้องทำอะไรบางทีตอนเช้าพิทบาทก็ไม่ทันเพื่อนอีกนอนสบาย อย่างนั้นมันผิดนี่อืนะท่านปล่อยเป็นตกีิเราอยู่ตามสบายไม่ต้องทำมัดไม่ต้องสวดมนอยู่ตามธรรมดาของเราเนี่ยไปบินถวาตมาชั้นชเป็นถ บ, บาดแล้วการผูดจา่าปลาใสของเราทุกกิริยาบุตรแล้วมีความรู้สึกอในใจของเราอืนี่วิตรอกไปถึงธรรมะเดินจงกรมภาวนาอยู่เสมอมีบางครั้งที่เราจะปฏิบัติแน่แ น, น, น่นอนเออ ม, มันก็มัน ทำวัดสวดมนต์ทำกิจบรสพชลพอย่างมันก็ลาบากมันขัดขัวทางเราเราอยากแจ็เดินอยู่คนเดียวอยากจะบว่างท่านก็ปล่อยให้เร า, าว่างๆไม่ต้องมีงานอะไรนี่ถ้าถ้าว่างเราก็ทําหน้าที่มันดีมันดีขึ้นคนที่มีสตานีงคนที่หยุดงานหยุดหยุดหยุดขอวัดแช่นอนเลยไม่เอามันเป็นเพศชาแบบนี้ อันนี้เราทํามาแล้วทํามาแล้วออทํามาแล้วอันนี้รู้เรื่องประการ์มาทุกอย่างแค่นั้นผู้ที่บวชมาใหม่เนี่ยไม่รู้เรื่องก็มีมอาบัตมันเป็นยังไงไม่รู้เรื่องอก็คนเอาคนในบ้านมาบวชไปทำบางคนเดินวินทบาตเรื่อยๆอ อ, อ, ออกจากบ้านมา ห, หันหน้าเขา้าฝาวกาฝาสะบงขึ้นยืนเยี่ยวจับจับจับขึ้นมาเนี่ยน่ารู้ไหมล่ะ แมไหมเนี่ยอุ้ยผมไม่รู้ครับมันเคยทํามาถึงแต่นู้นถึงแต่เป็นฆราวาสแม่มันเป็นไซนอย่างนั้นอันนี้แล้วไหว้ฟังมันรู้เรื่องเออยืนปฏิภาวนี่มันไม่ดีนมันผิดหมดอืมก็ต้องระวังระวังเขาไปเรื่องอื่นต่อไปมันติดต่อกันไปต้องพยายามทําเราทําถูกเรื่องของมันมันก็ดีขึ้นดีขึ้นบุญมันก็เกิดขึ้นมันมีศรัทธาขึ้นเรื่อยไป ให้เราเข้าใจอย่างงา น, นการประพฤติปฏิบัตินี่ในพรรษานี่มันมีหลายอย่างแล้วแต่ครูอาจารย์เราจะมีอุบ า, าอาบายตัวเราเองก็หาอุบายตัวเราเองอย่างหนึ่งอย่างนี้หยิบใจของคนเรามันก็ลําบากนะแต่อื้อค่อยๆทาไปเถอดหยุดกระดิบกรเด้งมันเลยนี่นอนเลยผมเนี่ยใจดีเกินไปมันเย็นเกินไป ไอคนนั่นมันยินมันไม่ชอบหรือมันนอนต้องทำมันทำยังไงแล้วมันเดินจง ก, กรมไหมมันทำความเพียรไหมร้องที่งเริ่มตื่นขึ้นทำนนบางคนดุแรงๆพอทำบางคนดุระแรงกโกรธเลยไม่เอาอให้เข้าใจีเรื่องปฏิบัติของเราสารพัดอย่างการพูดการจา ก, การทําทุกอย่างเข้ามาอยู่ในที่นี้ ท่านจะดีท่านจะดูท่านจะอะไรของท่านกลายเป็นข้อปฏิบัติสาหรับท่านเตือนเราเตือนเ ร, เรารู้ธรรมะทั้งนั้นน่ะเยียวพระใหมเ่เดีนใหม่จะไม่รู้ว่าท่านเทศธรรมมากท่านขึ้นบรรลังท่านสั่มาณโมตัสสะปะกามโตก็เห็นนั่นนั้นมาท่านเทศลูกศิษย์ก็เ ร, ริ่มนโมขึ้นแล้วอาจารย์เริ่มนโมขึ้นลูกศรรมมิษย์ก็เ ร, รมมิ่มง่วงปี ม, นะมันก็ต้องทุกริยาบทต่านจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนที่ไหนท่านบอกแล้วนะ่ะเทศทุทงนั้นเหตุทงนั้นสมัยก่อนผมไปอยู่กับท่านอาจารย์กินนาบีไม่รู้จักเมื่อไปทำไม่ดีแลนะงนตกนรกนะอยูนะ you know, ่น้ฉันอยู่อ้าวตกนรกแล้วเนะี่นรกอะไรมากเกินไป ท, ทำอะไรก็ตกนรกทั้งนั้น ก็ฟังวิจาราไปไม่ไม่รู้เรื่องของนรกท่านมาตกนรกแล้วบางทีอานแล้วมันจะตกนรกแล้วหลวงพ่อนี่ยอะไรกันกนรกนรกตรงนั้นเดี๋ยวยุอยู่ตรงไหนเนี่ยเราก็ไม่ถามท่านทําไปทำไปโอ้ยมันเริ่มจะเข้าไปหานั่นเหตุที่ทุกข์จะเกิดนั่นนี่จะไปตามเหตุที่ทุกข์เกิดนั่นน่ะนรกอยู่ตรงนั้นมันจะตกอยู่ตรงนั้น พูดไปปีอย่างเออตัวทุกข์เองมันเป็นนรกแนะขนาดนั้นก็ยังไม่รู้นาะตัวทุกข์เนี่ยมันเป็นนรกคนที่ไปความชั่วมันเกิดทุกข์ตัวนั้นคือสัตว์นรกนี่จะไปตรงไห น, นมองไปมองมาโอ้นรกไปอยู่นี่เองสกกัตว์นรกไปอยู่นี่นะมันยุใคใกล้ๆอย่างนี้เรามันเราไม่รู้จกักตัวให้เห็นนะไม่รู้จักลําบากเราทุกคนเหมือนกัน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 นอนกุกคืนนี่เยออมันมาเนเอยคนทํานั่นก็มาไกดีนะทํานี่ไปดีแล้วหนวันนั้น น, นี้มันมาในปัญญาแก่แล้วตั้งตัวอะไรแล้วเริ่มมาอีกต้องรู้จักอย่างนี้เราอืจะไปเอาธรรมะที่ไหนล่ะอืก็ต้องทํากันอย่างนี้รู้เรื่องอย่างนี้ <c oughs> อบางทีก็บก่้วิญญาณมันบากน่าเกิดเพรพาะพระพุทธเจ้าก็จะสบายนตัวขี้ โง่ไม่รู้จักพระพุทธเจ้าอืไม่รู้จักพระพุทธเจ้าของเราจับตัวท่านมาให้ภาวนาพุ้โธพู้โทผู้โทผู้โทเพราะพระพุทธเจ้ามาเห็นมีแต่ผู้โธพู้โทพูดเอาชื่อของท่านมาเรียกว่าพุทโธพู้โธอยู่ก็ยังงงอะไรพระพุทธเจ้าท่นอยู่ไหนเนาะในขั้งพุทธการทำไมปฏิบัติปิ๊ดเดียวประการศึกษแล้วนี่เราก็อยากได้อย่างกันเหมือนกัน อบางทีเจ็ดวันเป็นพระอรหันต์แล้แล้วบางทีโกนผมนี่พิจารณาแล้วโกนลงโนแล้วก็ปุ๊บเป็นโซดาเป็นตะกี้อาคาเป็นนาคาพอโกนผมเช็ดปุ๊บเป็นพระอรหันต์เลยนี่เราไอยากไรไปเมื่อไหเราทําไมนั่งทําไมมันไม่หยุดมันวุ่นมันไายเนื้อเกินนี่มานั่งอย่างจิตมันก็ไม่สงบนี่นั่งบางบานโน้มมันไปอยู่หนังโยนด ไปกินเสี่ยวอยู่ตลาดนูเห็นไหมมีอ้วนนีไหมน่ะนวดมันไปเที่ยวยุทธาราศ น, น, านะเนอืมเห็นผ้าสันปาโกนผมลงจบปุ๊บเดเป็นพระ้าหลานเนี่ยมึงใช่ไหมนะ้องเราทำไมมันยุ่งเกินไป น, อน้องเฮ้ยเราจะไปพูดอย่างงั้นได้เนี่ยมันคนดะเรื่องกันถามแล้วนี่เดไปถาม ม, ามานันเถอะเรื่องมันเป็นอยู่อย่างนั้นเมื่อเรายังไม่ถึงเราก็ไม่รู้น่แล้ว สงสัยตลอดไปเรื่องสงสัยสงสัยไปเอ่ตามองเห็นก็สงสัยอะไรสงสัยคนคนหนึ่งมันมาเคยสงสัยเนี่ยเทศใด้ฟังมันมานั่งใกล้เทศจบแล้วหลวงพ่อผมสงสัยเอาที่สงสัยอะไร ม, มนุษย์ทําไมมันไม่มเหมือนกันอ้าวของมันไม่มเหมือนกันะมัน ม, มันสร้างมาคนในอย่างมันก็ไม่มเหมือนเนะี่ย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 บางคนมันซื่อสัตว์บางคนมันขโมยทรัพย์ย่างเออเรื่องโลค ก, ก็เป็นยัา ง, งานโลค ก, ก็ไปโลคไอคนนี่นะทำไมไม่เหมือนกันมันมาเถียงมาอยาให้คนเหมือนกันเราเคยบอกว่าคุณคุณคิดผิดคุณดูจักเป็ดดูจักไก่ไม่ลูกครับนี่คนได้อย่างคุณพูดเดี๋ยวนี่คุณอยากให้เป็ดกับไก่เหมือนกัน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 นี่นักศึกษานี่เห็นไหมนี่จะไปบังคับให้มันเหมือนกันนี่นึกว่าเรามีปัญญาหลายแล้วสิ่งทั้งหลายแล้วนี่มันเป็นของมันอยู่อย่างนั้นหายรูป่าตามความเป็นจริงเหมือนเสียเมื่ออะไรถูกกิเ็สมาครอบงำบางทีมันก็มันก็คิดคิดดังเปียดคนโน้นคิดรักคนนี้ คิดไม่ชอบใจก็อารมณ์เหล่านั้นนี่เราจะเสี่ยอนี่เลยประเมินมันเป็นเรื่องธรรมดาขพราะมันนั้นเราต้องเมื่อมันเกิดขึ้นมาเราก็ต้องเห็นใกว่าอันนี้มันไม่ชอบแล้วให้รู้จักมันนะอันนี้มันไม่ชอบอันนี้มันผิดมันดูดจับผิดแล้วถ้ารู้จักผิดมันคิดอย่างนั้นก็จะตามมันไปดิอย่าปฏิบัติตามมันดิ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 เรื่องไม่ชอบก็ไม่ใช่เหมือนกันไม่ใช่สัจะทําเรารู้อย่างนี้ไม่ต้องไปเรียนคำพีมนันหรอถ้าเราตั้งใจปฏิบัติแล้วมันก็รู้จักคนเรามกงไปดูเรื่องที่ชอบใจเราก็จะเอาไม่ชอบใจเราก็ไม่เอาคือปฏิบัติอยู่ในวงอวิชชาื ม, มนอยู่แท้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 ไม่มีรักไม่มีเกลียดนเรนตรงไปนี่มีเป็นสัญจรทาําไอ้สิ่งใดที่เราชอบยังพวกเราอยู่ดีกันอใครพูดไม่ค่อยจะถูกหูราแล้วก็ลังเกียดเนาะนี่ไอ้คนที่พูดถูกใจแล้วเราก็สบายนี่แล้วอยู่แค่นี้ก็ไปรังเกียจคนที่พูดไม่เข้าหูเรามันก็มารักกับคนที่พูดเข้าหูเรานี่จะต้องเป็นอย่างนี้ ใจที่เป็นกิเลต้องเป็นอย่างนี้ต้องเป็นอย่างนั้นถ้าเราคิดเช่นนั้นก็นึกว่าเราถูกนึกว่าเราถูกแล้วรู้จักแต่เรื่องมันชอบไม่ชอบดีไม่ดีแล้วไปคิดแค่อย่างนั้นรู้จักแต่เรื่องบุญหนึ่งบาป บาปฉันไม่เอาฉันเอาบุญออันนี้มันเป็นตัวอวิชาเหมนกันนั่นเรื่องไม่บาปไม่บุญนั้นทําไมไม่เดินเนาะเรื่องที่ว่ามันไม่ดีไม่ชั่วนั่นไมไม่เดินเนาะมันทางจะพนทุกข์ทําไมเราไม่ดูอไอความดีแท้ดีดีจริงก็มันอยู่เนี่ยมันอยู่เนือดีเนือชัว่ว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 การปฏิบัติอาญาอย่าออกจากใจของเราสิให้ดูในใจของเราอย่าไปอาศัยข้างนอกอารมณ์มาทบกระทบข้างนอกอมันผิดหรือถูกก็ดูใจเราสัก่ออดูจิตแต่ว่าจริงอย่างนั้นไหมหรือมันไม่จริงอย่างนั้นแล้วต้องรู้ของเรามันเป็นสี่ขีปุโตเอาตัวเป็นพยานของตัวเลยไม่ต้องไปเรียนที่ไหนเะอืมอนี้ยนี่ภาวนา จริงๆได้ต้องเรียนอย่างนี้หาจิตที่แท้จริงนจิตใจมันที่แท้จริงก็เหมือนกันกับใบไม้น่ใบไม้มันเกิดมาไงทำไมมันนิ่งไมไม้ทำไมมันนิ่งมีคือธรรมชาติของมันมันก็นิ่งๆไม่มีอะไรเกิดมาใบไม้มันไม่กวาดแฟงเรตามธรรมชาติมันมันนิ่งเรารู้จัก อีกเวลาหนึ่งมันกวดแปลงเพราะอะไรเพราะอะไรมันมันถูกร่มมันจึงกวดแปลงจิตใจของเรามันหลงอารมณ์มันจึงกวดแปลงทำมันรู้อารมณ์เป็นต้นมันก็ไม่มีอย่างนั้นไม่กวดแปลงทำมันรู้ตามความเป็นจริงแล้วมันก็ไม่มีอะไรเป็นปกติของมันแสดงมันกวดแปลงมันมีทีเดียวแค่ไหนดูคราวนี้มันก็พอแล้วไม่ตอนระเรียนที่ไหน มันจะถูกอารมณ์ซักเทไรกัชั่งนรูปสัจจะทมแล้วนะั้นมันก็นิ่งมันสบายมันสงบ น, นั่นการปฏิบัติให้เราเข้าใจอของแยบคายในพุทธศาสนาของเรานี้ยอย่างเราทำกันมานีกีน่ะนะอจารย์ที่วายังนะ นี่เขาเรียกว่าพระวันเณรเท่านั้นนะนี่คนดีใจกันพูด ง, ง่ายๆเขาบอกเ ป, เ, ปเป็นพระเป็นเนนถามไปอีกทีนึ่งมั่งมันเป็นเนนจริงหรือเปล่ามันเป็นพระจริงหรือเปล่าถานเข้าไปเลถามตัวเข้า่าอีกไปเห็นตัวจริงแหมันจะไป็นล่อลอนอยู่ในบ้านมนะั่งมันไปนคนพวกขี้อยู่ในบ้านมนะัน ยังเราขวบมาในพุทธศาสนานี้ไม่ได้เสพกรรวามได้วเลยเนี่ยก็เลยดีใจนะถ้าผมพูดว่ามันยังเสพกวามอยู่เลยเนี่ยจะมาดูละ อ, อย่างหลวงพ่อเนีย่ยแต่ตอนท่านนี้มีแม่บ้านอยู่ในบ้านทุกคนเสพกวามอยู่ออกมาแล้วเดี๋ยวนี้ฉันเลิกแล้วแล้มันต้องเสพกวามแน่นเลิกวะเนี้ยนะอย่างนี้อันนี้เป็นคําพูดของเราจริง ตากันมาเต่เมื่อเรามองกันไปจริงๆแใครเสรียตามันเห็นลูถ้ามันนั่งเกลียดเขาันก็ไปเสียเขาอีก้ามันชอบเขาต้องไปเสียเขาอีกตาหูจมูกบี่กายจิตมันไปรูเรื่องมันจะเสียัทั้งหมดเหนทั้งทั้ ง, ง, ง, ง, ง, งเนเสียตามไม่ได้นิจจาตาม แม่นี้จัด ก, กามแต่ว่าธรรมราที่เราพูดกันออกมาจากวานเรื่องแค่ชันไม่มีเมียนันะั้นันไม่เสียตามเนั่นเนี่ย อ, อพูดโดยกปกติเมื่อคนก็ไปหาความจริงจริงๆแล้วนะยังมีการเสียตามอยู่ถามจะคล้อก็ได้ทุกนนะองเอาพระอ้วน เ, นยเคยเสียตามตายเห็นหนุ่มผู้หญิงมันชอบไหมน่าเสาเนียเลย จมูกร้องกลิ่นเนี่ยมันมันหอมเนี่ยชอบกับเสพมนะ่นั่นเสพแล้วเนะี่ยนี่ยังเสพกลามยังปล่อยวางอารมณ์ไม่ได้นี่เดี๋ยว่ายังเสพกลามอยู่ที่ว่าเราเป็นพระนั่นเลยสมมุติการขึ้นมาละแต่ก่อนเราก็เป็นโยมอยู่อืมเมื่อวานเราเป็นโยมอยู่วันนี้เรามาบวชเป็นเลนเป็นพระอย่างนี้ว่าเราเป็นพระเป็นเลนเนี่ยมันเป็นแต่รูปร่างเนี่ยใจมันยังอยู่อใจมันยังอยู่ ตรงนั้นใจเนี่ยยังอยู่เนี่ยเราต้องการตรงนั้นระงับตรงนั้นมันถึงถูกตรงนั้นไมระงับมันเป็นไปไม่ได้หมันโรคมันโกรธมันหลงมันเกิดมาจากตัวนั้นคือจิตอันนั้นถ้าระงับจิตไม่ได้ก็ไม่เรีนสมณะตรงที่พระศาสดาท่านการปฏิบัติมันเป็นอย่างนั้นให้ดูภายในจิตของเจ้าของมันเห็น อย่างคนอื่นทำผิดล้วก็ไปยกโทษเขาเรื่อยๆไม่หยุดยกไม่หยุดเช่นกันเพราะเขาทำผิดถ้าคิดไปอีกก็ดีส่วนหนึ่งแต่คิดเข้าไปถึงทิดทางมันเรื่องของเขาเราจะไปแบกทาใหม่มันทุกข์เห็นไหมเนะ่ยนานๆเราก็เลยพร้อยคาดไปตามเขาด้วยเห็นเขาผิดเรก็ไปรื้อฟื้นขึ้นมาเห็นเขาผิดต่อไปแล้วก็ผิดอีกเพิ่มมันเข้าไปอีกสองคน อันนี้คนไม่รู้จักการปฏิบัติมันเป็นอย่างนะอันนี้การปฏิบัตินการศีลสมาธิ ї, ปัญญาผมไปพูดบ่อยๆแต่บางคนจะไม่ค่อยขอใจหรือไม่เอาใจใส่เรื่องศีลเรื่องสมาธิ ї, เรื่องปัญญามันเป็นสามอย่างแต่ธรรมะของผมผมพูดอะมันเป็นอันเดียวมันเป็นอันเดียว เปรียบไปฟังมันเป็นอันเดียวยังไงมันมะม่วงใบนี้แหละมันเป็นใบเดียวแต่ว่ามันมีรสเปรี้ยวก็มีมันมีรสหวานก็มีกลิ่นหอมมันก็มีรสทั้งหลายกลิ่นทั้งหลายเหล่านี้มันออกมาจากผลไม่อันเดียวกันเท่านั้นธรรมะนี่ก็มันก็หนึ่งสิ้นก็หนี่งสมาธิปัญญาเป็นสามเอ้ความเป็นจริงอันนี้ไม่มีสามหรอกมันมะม่วงใบนั้นหวานก็เกิดมาจากนั้น หอมก็เกิดมาจากนั่นเปรี้ยวก็เกิดมาจากนั่นแต่มันแยกกันดีอย่างนี้ก็อยู่ในมะ่วงใบเดียวกันนี่ยป็นปฏิบัติธรรมะก็เหมือนกันศีลสมาธิปัญญาถ้าเราพูดมันก็ดึงดูความเป็นคนออกไปคนในอย่างศีลอันหนึ่งปัญญาอันหนึ่งสรตวภาพตัวอย่างการปฏิบัตินี่คุณต้องการแต่ว่าเราปฏิบัติสมาธิ ถ้าปฏิบัติสมาธิมันก็ถึงปัญญาอาถึงสินเนี่ยพูดถึงสมาธิมันก็ถึงปัญญาเลย ม, มันมีปัญญาจับมาว่วงใบนี้ขึ้นทั้งหวานทั้งเปรี้ยวทั้งหอมอยู่ใบเดียวกันแต่พูดถึงกลิ่นัึงรสมันคนละอย่างแต่อยู่ใบเดียวกันอันนี้ธรรมะเดียวเอโกธรรมโมธรรมมีอันเดียวเท่านี้ไม่มีมากอืคือจิต ของเราเทียมาันเห็นชัดแนตะ่มันก็วางปล่อยหมดแค่นั้นที่เรามาทำนเนี่ยบางคนก็ลำบากหลายคิดไม่ถึงทะรุษยังสมาธิสมาธินี่ความตั้งใจมั่นเป็นตั้งใจมั่นดูดิไอความตั้งใจมั่น ม, มีศีลไหม มีปัญญาไหมมันจะเกิดให้มันเกินอถ้าโทษที่ถูกจริงๆเนี่ยเราปฏิบรรัติทรมีทางศีลทางสมาธิทางปัญญาไปพร้อมกันสมาธิตัวเดียวนี่นะบางคนก็นมานั่งในคิดจากให้มันคิดอะไร ไม่คิดอยากจะมารู้อะไรเบาคนนึงว่าโอ้ฉันทำะมาธิเดี๋ยวเดี๋ยวอันันมันดึงไปโน้นคลุมมันไว้เดี๋ยวเทอหนึ่งก็ดึงไปโน้นเดียวก็คลุมมันไว้อันนี้คือความเข้าใจผิดใครจะดึงไปที่ไหนถ้าคู่ตามความเป็นจริงน่ะให้มันดึงไปเธอเสียงก่อมันได้ยินรูปกูให้มันเห็นให้มันรู้จักมันถึงจะมีปัญญา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 ทุกขที่มันเกิดขึ้นมาเพราะอะไรอืนเป็นเหตุอะไรไหมเหมืมนอนเราอยู่ธรรมดามันก็เป็นทุกข์เห็นไหมเราอยู่เงี้ยเราอยู่เงี้ยเราก็สบาย อ, ยอีกวาระหนึงเราอยากยกกระโถนนี่มันมายกขึ้นมาต่างแล้วต่างแต่ก่อนที่เรายังไม่ยกกระโทนถ้าไปยกกระทถนขึ้นมามีความรู้สึกว่ามันหนักมันเพิ่มขึ้นมามันมีเหตุ หนักมันจะเกิดเพราะอะไรเพราะกระโถนนี่มันเป็นเหตุเรายกมันถ้าเรามายกมันน้องก็ น, นี้อะไรอืถ้ามีเหตุปุ๊กอากไ้กระโถนมันจะไปยกตรงขึ้มารู้สึกแล้วว่าอที่เรายังมายกกระโนกับเรายกกระโถนมีอาการต่างกันต่างกันยกกระโถนนี่มันหนักถ้ามายกมันเบานี่ดูแลอืม ไอ้ความหนักนี่มันมีเหตุให้เราหนักคือเรายกกระโจนนี่มันถึงหนีน่ถ้ามันจะไม่หนักก็เป็นเหตุที่เราวางมันไปมีหนักมันมันก็ไม่มีหนักเพราะอะไรเป็นเหตุเพราะเราวางมันไปมันก็ไม่หนักเท่านี้อืเท่านี้ก็รู้มันแล้วเป็นต้องไปเรียนที่ไหนรู้แล้วถ้าเราไปยึดอะไรอันนั่นเป็นเหตุในทุกเกิดเถ้าเราปล่อยไปมันก็ไม่มีทุก นี่ทำไมเราระยึดมันเพราะเราอยากมันนึกไปยุดมันมานันก็นัง่งเท่านี้หลยมันไม่ใช่อื่นไกลๆเราเห็นชัดตรง น, นี้การปฏิบัติแบบอย่างนี้เดี่ยวการยืนการเดินการนั่งก า, น, งกานอนเสมอนะเรานะต้องสแสวงหาสมาธิสแสวงหาปัญญาสแสวงหาจิตไปพรอมกันเลยพรอมกันเลยครอกันเลย เต็มมันก็เต็มเต็มพร้อมกันบารมีเต็มมันก็เต็มพร้อมกันสัมาทิฏฐิปัญญาเห็นชอบถ้าปัญญาไม่เห็นชอบเมื่อไรทุกอย่างที่เป็นมรรคแปดมันชอบไปหมดชอบสิบเปอร์เซนบารมีสิบอย่างมันก็อันละสิบเปอร์เซ็นเปอร์เซ็นปอร์เซ็ต์หมือนกัน เหมือนมะม่วงมันแก่ลูกนั้นมันก็แก่หมดทั้งลูกอะไรที่จะไม่แก่อย่างนี้มันพ้อกันไปทั้งนั้นมันหามมันก็หามไปหมดทั้งลูกมันมันสุกก็สุกจนทั้งบูกมันเรื่องมันเป็นอย่างนี้มันไม่แยกกันเราไปแยกมันออกเราไม่รู้เรื่องเห็มันยุ่งยากอื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 เราจะรักอันนั้นเราจะดันเกลียดอันโน้นเพราะจิตเราเป็นเหตุเป็นต้นต่ อ, อย่างั้นเราต้องดูจิตของเราซะก่อนเพราะอะไรเพราะจิตของเรานี่มันรักมันเกลียดมันไปยึด ม, มันถือมันไม่ใช่อันนั้นอยู่ข้างในนี้เป็นเหตุถ้าเราตดงจัดอย่างนันการปฏิบัติไงปฏิบัติใจพูดง่ายๆคือใจอันเดียวกันนี้นนหมด ันนี้เราแยกกันไปแยกกันไปสัตวพัดอย่างมันยุ่งมันยุ่ง ม, มันยุ่ง ม, มันยุ่งเราปฏิบัติอันเดียวเท่านี้ถูกปดเอาพูดง่ายง่ายใช่ยังดูพระอ้วนองเดียวเท่านี้แหละเห็นแล้วว่าพระอ้วนรู้แล้วว่า ม, มันเกิดเบื้องต้นมันแปรไ ป, ปทํากลางที่สุดก็ดับไป อ้วนหลับไปอย่างนั้นดูองค์เดียวเท่านี้แหละในโลกนี้เราจะเป็นอย่างนี้ทุกองคเลยไม่ต้องไปตามดูมันไหานเรามีองค์เดียวเท่านี้ให้ชัดเจนทั้งนั้นด้วยจากนี่อันเดียวเป็นหมดไปรู้หมดทั้งโลกก็เห็นเป็นอันเดียวเท่านี้รู้อันเดียวเท่านี้ก็เห็นหมดทั้งโลกนี่ถ้าเรายอมคำพูดคำว่าต่าต่างเป็นนี้นีฉะนั้นเราต้องดูจิตอันเดียว จิตเป็นราคะเป็นโทสะเป็นโมหะก็จิตอันนี้เท่านนัะ้ถ้าเรารู้จักประมาณนันก็เป็นอย่างนี้อเราอยากจะรู้ของแน่นอนก็คือเราให้พระพุทธองค์สอนเราพิจารณาร่างกายพิจารณ า, าไปเท่ากันมาศีรษะศีสะสะหะไปเท่ากันเป็ น, ใ, นหให้เห็นชัดว่าก่อนนี้มันเป็นอย่างนั้นก่อนอื่นนอกนี้ก็เป็นอย่างนี้ไม่แปรไม่เปลี่ยน สำหรับที่เรียกว่ารูปร่างอางนี้รูปมันจะรอเขวหนี้มันก็เป็นอย่างนี้รูปมันจะขี้เดมันก็เป็นอย่างนี้เนมือนองค์งงเดียว ท, ทั้งหมดในโลกเรารวมมาเป็นคนคนเดียวมันก็ไม่แปลกอะไรกันนะักมันก็เป็นอยู่อย่างนี้อืมฉะนั้นการปฏิบัติของเราเนี่ยเห็นไหมท่านอบรมศีลอบรมสมาธิอบรมปัญญา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 บางคนก็นไปนั่งไม่อยากให้มันรู้อะไรให้มันงี่เเหมือน น, นั่งเอาอะไรไปครอบไปหนึ่งนันจะเกิดประโยชน์อะไรไห ม, มที่เราก็ไปนั่งสงบนั้นไม่ใช่แบบสงบจิตมันทําไปทําให้จิตสงบชั่วคราวอะไมันหยุดหยุดมันจะเกิดความรู้ขึ้นมาชั่วคราว แล้วนั่งเงเหมือนกันว่าหายใจสบายสบายนะแค่นี้สบายแค่เดี๋ยวนี้อีกต่อไปเราจะประคุตเอวมาลัดคอเหรอให้ลัดต่อให้มันแน่คอยลัดข้างลัดขางัดข า, ดข า, ดขานี่เอควรมสบายมันจะไม่ไไมค่อยมีนเอควรมไม่สบายจะเพิ่มขึอนมาเพิ่มมาลัดต่อไปจนหายใจเหนือยจนทุกข์กทรมานอยู่เป็นทุกข์รู้สึกว่าเป็นทุกข์ รัดกับไปจนใจจะขาดกับรักกับไปเรื่อยเอยนานพอสมควรน้ำบางหลก็เรืยละประคดเอวออกเลือดอตัวมันมวะนะิ่งสครับมีคนเออเดี๋ยวนี้สบายมันสบายมันก็ไม่สบายแล้วเพราะระยะก่อนมันทุกข์อย่าไ ม, มันก็เหมือนแต่เราเดี๋ยวนี้แหละ แม่อภุดลัดเอวก็ปวดลาดนี่แหะไม่ค่อยสบายแล้วแต่แบบเอามารัด ก, กันไปมันทุกข์กว่านี้ลีกระบายทุกขอ์ออกทุกข์ออกไปถึงที่เก่ามันเสมอเลยนี้ก็เรียบนึกว่าเอออันนี้มันสบายแค่นี้อดืดูดิใครมีความสุขไหมก่อน ม, มันจะมีความสุขมันมีทุกข์ก่อนนี่ใช่ไหมไม่ ม, ม, มีทุกข์ก่อน ให้มี่ใช้เหมาะสมไรเนี่ยตายมันดึงจับตรงก่อนที่สบายมันทุกข์ก่อนเกือบตายเห็นไหมเข้าใจมล่ะมันสาทุกข์กมันมีแห้งก่อนนะเกือบตายมันสลับกันเท่านั้นเราไปลงอารมณ์เท่านั้นเมื่อปล่อยกับคนเอวไปมันความสบายก็หยุดแค่นีะ แต่เมื่อเราอยู่แค่นี้เราไปนึกว่ามันสบายนะอยากสบายยิ่งยิ่งไปกว่านี้อื ม, อมของอันเก่าเราสําคัญผิดขนาดนั้นการปฏิบัตินี่คือกันกฉันนั้นจะอยากจะเป็นยังไงอยากจะเป็นนั่งอยากจะเป็นนั่งไม่ให้มันมีอะไรไม่คิดอะไรไม่นึกอะไร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 นี่ระนาดให้เราปฏิบัติให้รู้ตัวของเราเลยเพราะเราหลงเนี่หลงพ่อเนี่ยพราเราไม่ชอบไปกรนีไปอันนี้มันไม่พ้นถ้าเราไปอีกเราไปพบเสียงอันนี้อยู่ข้างหน้าอีกแล้วก็ไม่ชอบใจอีกก็ไปอีกก็ตายที่กปล่าเท่นั้นเนี่ยความสงบมันอยู่ที่ตรงรู้มั น, น, นมันรู้ เราปฏิบัติให้รู้จักภาวนาพุโทธโธพุตัวให้มันสงบสงบ พ, พอให้มันรู้พุโทโธสัจจะบอกผูรู้นั่นเองฉะนั้นเราจะเข้าใจผิดบางทีเป็นนั่งจดกลา่าวเป็นนั่งไปกําหนดไม่ให้มันคิดอะไรไม่ให้มันรู้อะไรมันไปนขังตัวของเราถึงสงบขนาดใดก็จะทิ้งความรู้จักถ้าถ้าทิ้งความรู้จักก็เป็นบ้ า, าเห็นไหม ให้มีความรู้จักรู้ตัวนั่นแต่ฟุตโทอะหละ เ, เลยจะไปบนแต่ปากของเราท่านนั้นเนี่ยมันถึงจิตของเจ้าของอการปฏิบัติจะต้องเป็นอย่างนั้นอืบางคนก็ไปนั่งไม่สงบนั่งไหนจิตอย่างนั้นก็ไปอย่างนี้อืถ้าไปนั่งเดี๋ยวมันก็ไวมันไปแฉันก็ไปดึงมันมา มันอยู่ชั่วข้าวกับไปอีกอฉันก็ดึงมันมาเป็นว่าใครไปดึงใครกันไปรู้ใครไปใครมากันไปรู้ไม่รู้เรื่องไม่มีใครไปใครมาหรอกแต่จะมีใครมาใครไปเล่าดูให้มันดีๆตรงนั้น อ, อย่างที่ผมพูดเนี่ยใบไม้เป็นปกติมันนิ่งถ้ามันกดแรงพรอเนี่ยลมมันมาถูกมัน จยิบใจคนออกมันกันถ้ามันพุ่งสั้นนากันกอดแกง่งเพราะถูกอารมณ์ถ้าจิดแต่แท้เนี่ยมันเหมือนใบไม้นิ่งอยู่อย่างนี้นสว่างอยู่อย่งนีูอยู่อนี้อันนี้เราคอยใจผิดกันจะต้องให้มันรู้จิมันรู้จับให้มันรู้จับให้สั่งวอนสั่งรวมให้รู้จั ก, กว่ามันผิดมันถูกอืมผิดก็รู้ถูกก็รู้จักอืม มันจะคิดผิดขนาดไหนเพราะั้นเรารู้ว่ า, าอัานนี้มันคิดผิดมันเข้าใจผิดไม่ให้มันดึงดูดไปได้ต้องกรับามาคงที่ของเรามี้ความมั่นความตั้งใจมั่นชอบคือไป น, นี้ไปกระขายอารมณ์ดึงไปที่ไหนก็กลับมาตรงนี้เพราะมันมั่นอยู่แล้วไม่ให้มันขาดจากนี่ไปแค่นีน้ก็เป็นสังวรสินเนี่ยก็เป็นสมาธิเ น, นี่ยเนี่ยก็ปัญญามันก็รู้จักเกิดขึ้นมาแล้วอืม คำมานั่งดับตามันไม่ผิดต่อเทวู้จักเวลาก็าเพิวนนั่งไม่รู้ไม่เอาต้องรู้จักหายใจับเขาไปโบมเราก็าไปโบมอะไรมารู้จักหมดทุกอย่างออกจากที่นี่ก็มีสติเดินตาเห็นลูกก็รู้จักหูฟังเสียงก็ ร, กรู้จักรู้จักทุกสิ่งทุกอย่าง รู้จักผิดรู้จักถูกเมื่อรู้จักผิดจักถูกแล้วก็พยายามละมันให้มันเหนือไปกว่า น, นอัอืกจนกว่าใจของเราไม่ผิดไม่มีผิดมีถูกเหนือแล้วนี่คือเราปล่อยวางมันไดอย่างนี้รู้จักอย่างนั้นนี่เกี่ยวกับการปฏิบัติทั้งนั้น